นี่ในข้อ125หน้า534ที่พิสูจน์เหล่านั้นก็กราบเรียนชื่นชมนุโมทนาภาสิตของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุดีแล้วใต้เท้าอย่างนี้ก็กราบเรียนถามปัญหาสูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้าครับยังมีอีกหรือไม่ เหต so so eh. so ุคือปริยายแม้อย่างอื่นที่จะให้อริยะสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตธรรมนี้ภาษาลิบุตรก็ตอบว่ามีอยู่อวุโสว่างั้นแล้วก็กล่าวว่าอวุโสด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดซึ่งนามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับนามรูปรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปเพียงเท่านี้แล อ, อ, อาุโสดารยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงมีความเห็นถูกต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัตรรมนี้แล้วท่านใช้คําว่ารู้ชัดตลอดเนีรู้ชัดด้วยอริยมรณะรู้ชัดด้วยโสดาปฏิมาเป็นต้นนั่นเองไม่ใช่พ่อเน้นโลกุตระสัมมาทิฐิเนี่ยนะไม่ใช่เน้นโลกิยาสัมมาทิฐิสูตรนี้เน้นโลกุตระสัมมาทิฐิโดยส่วนเดียวเนี่ยนะ ถามว่าอะไรคือนามรูปอะไรคือเหตุเกิดของนามรูปอะไรคือความดับแห่งนามรูปอะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูปตอบว่านามรูปคืออะไรก่อนบอกว่าเวทนาสัญญาสังเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะและมรณาสิการทั้งห้านี้เรียกว่านามทาไมจึงยกห้าอย่างเป็นนามล่ะอย่างอื่นทําไมไม่ยกบอกว่าเพราะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเวทนาสัญญาเ จ, เจตนาผัสสะมรณาสิการเนี่ยนะก็ร่วมกับจิตทุกดวง ส่วนภูตรูปมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เรียกว่ารูปรวมความทั้งนามและรูปนี้เรียกว่านามและรูปนามรูปตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดอะไรนะเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะออาและนามรูปเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม hm าธิอวุโสในกาละไดแลอริยาสาวกรู้ชัดซึ่งนามรูปอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งนามรูปอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งนามรูปอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งนามรูปอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัย บันเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้และอาวิชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชาให้เกิดแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอุโสอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแกลนมาสู่พระสัพธรรมนี้รู้จักนามรูปนามรูป ในหน้า598นามมีการน้อมไปเป็นลักษณะน้อมไปเพื่อรู้น้อมไปเพื่อรู้ทวารตาหูจมูกลิ้นกายเนีน่ยนะเช่นน้อมไปเพื่อรู้รูปน้อมไปเพื่อรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธพภะรู้เรื่องราวรู้ธรรมลมทั้งหลายเลยเรียกว่านามนามแปลว่าน้อมไปเพื่อการรับรู้น้อมไปรู้อาจจะใช้คําว่าสอรู้สอดเห็นก็ถูกต้องนะนะไม่ผิดอนะไรนั่นะแหละลักษณะของนามล่ะเพราะรูปมันไม่ทํากิจอันนั้นหรอก นามนั่นแหละมันทำกิดนั่นแหะอยากรู้อยากเห็นไว้หมดเลยนะเรียกว่าแทรกรู้แทกเห็นดีกว่านะมันไม่หยาบรูปมีการสลายไปเป็นลักษณะเอา้ารูปมีรูปไหนที่มันยั่งยืนเธอเคยเห็นบ้างไหมตั้งแต่เกิดมามันยั่งยืนเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมีไหมยากกว่างั้นคือดวงที่ใช้คำว่าเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คือเมื่อไร่เมื่อไหร่มันก็มีอยู่อย่อยางนี้ เมื่อ 2,000 ปีก่อน 4-5,000 ปีก่อนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็โคจรอ ย, อยู่อย่างนี้แหละฉันใดก็ดีมีสักนามรูปมีชีวิตของใครมีบ้างไหยที่มันไม่สลายเลยบอกไม่มีพันรูปทั้งหมดมีการสลายไปเป็นสภาวะรูปปัณณ์เนี่ยนะสลายไปเพราะอะไรเพราะวิโรธที่ปัจจัยหนาวเกินไปก็าตายร้อนเกินไปก็าตายเย็นเกินไปก็าตายว่าเหตุแห่งความตายนี่มีเป็นพันเป็นหมื่นแต่เหตุแห่งความเป็นอยู่มีนิดเดียวสรุปก็เลยจบด้วยสลายไป เหมือนในภาชนะดินหม้อเราๆเนี่ยดูแลยังไงมันก็แตกเป็นที่สุดเนี่ยนะไม่แตกวันนี้มันก็ยืดอายุการแตกไปเพราะในที่สุดมันมีการแตกเป็นที่สุดรูปทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะรูปที่นั่งๆอยู่นี้ก็สลายไปเป็นที่สุดที่บอกว่านามมีการน้อมไปะนะนามไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนัสิการเวทนาก็คือเวทนาขันสัญญาคือสัญญาขันเจตนาภาษามนัสิการคือสังขารขัน นามขันสาคือเวทนาสัญญาสังขาราทั้งหมดนี้เนี่ยนะทั้ง3อย่างเนี่ยคือทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมีพลังต่าที่สุดเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะไม่มีจิตดวงไหนที่ปราศจากเจตนาภาษาและมนุษการก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างด้วยอำนาจสังขารขันสอันจนอั น, อ, นอื่นๆไม่ค่อยแน่นอนในชะ่ไหมวิตก ก็เกิดร่วมกับจิตบางดวงวิจารณอธิมโมกวิรยิยะปีติฉันทะเป็นต้นเนี่ยเจตสิกที่เหลือมันเกิดร่วมกับจิตบางดวงเท่านั้นไม่เหมือนกับเจตนาผัสสะมณสิกาเนี่ยมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอะนะถ้าที่อื่นเนี่ยนะถ้าอภิธรรมัตสังคหากกจะเพิ่มชีวิตตินทรีย์และเอกคตาเข้ามาด้วยเนยชีวิตตินรีย์และเอกคตาอยู่ในกลุ่มสัพพะจิตตสาธารณะ สัพพะจิตตแปลว่าทุกจิตทุกดวงสาธารณะแปลว่าทั่วไปทั่วไปกับจิตทุกดวงแปลว่าทุกๆความคิดต้องมีเจตนามีภาษาและมีมนุิการถามว่ามหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่มีอะไรบ้างมหาภูตรูปคือดินน้ำไฟลมทั้งสี่สิ่งนี้เรียกว่ามหาภูตรูป เหตุที่เรียกว่ามหาภูตรูเพราะอะไรก็เพราะมหาบริหารมหาวิการเป็นต้นเนี่ยนะมหาบริหารดูแลยากยากมหาพิการดูแลยังไงก็ตายอ่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มหาหลอกมหามหาพูดมหาผีแล้วว่าหลอกเก่งมากว่จริงๆแล้วมีมหาพูดมีสีโดยตัวมันเองไหมไม่มีแต่มันแสดงสีได้วิจิตพิสดารเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเสียงโดยตัวของมันเองแต่มันสร้างเสียงสารพัดเสียงขึ้นมามันไม่มีกลิ่นโดยตัวของมันเองแต่มันสร้างกลิ่นสารพัดกลิ่น เรว่ามหาพูธเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับมหาหลอกมันสร้างสีสร้างกลิ่นสร้างรถสร้างโพธาสสารพัดชนิดเกิดขึ้นมาในโลกสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยเรียกว่ามหาพูธและรูปที่อาศัยมหาพูธคืออะไรคืออุปาทายะเนี่ยแปลว่ายึดถืออุปาทายะเนี่ยแปลว่าจับไว้ยึดไว้รูปที่อาศัยการประชุมของมหาภูตรูปสี่เป็นไปเรียกว่า อุปาทายรูปเนี่ยนะรูปที่อาศัยการประชุมถ้ามหาภูตรูปสี่ประชุมเมื่อไหร่ก็จะแสดงตัวเป็นสีเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพภะเอ่อเป็นสีเป็นกลิ่นเป็นรสและโอชาเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้ในที่ทุกแห่งมหาภูตรูปสีมีปฐวีเป็นต้นและรูป2ี่ามที่เรียกว่าอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่อย่างเนี่ยเป็นไปทั้งหมดนี้เรียกว่ารูป อุปาทัยรูปมีอะไรบ้างมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายะระสาธมีภาวะรูปชีวิตรูปหัตยะรูปลัคนารูปเป็นตน้นพวกนี้เป็นรูปที่อาศัยหมหาภูตรูปจะแจกยังไงอธิบายพิสดารขนาดไหนมันก็คือรูปสิ่งที่สลายไป ท, ที่สุดของรูปเหล่านี้ก็คือสลายไปทั้งนามด้วยทั้งรูปด้วยมีอะไรเป็นแดนเกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดเนี่ยนะ วิญญาณสมุทยาวิญญาณใดเป็นปัจจัยแห่งนามด้วยเป็นปัจจัยแห่งรูปด้วยเป็นปัจจัยทั้งนามและรูปด้วยฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นปัจจัยแห่งนามเป็นปัจจัยแห่งรูปเป็นปัจจัยแห่งนามและรูปกรรมวิญญาณนี้เป็นปัจจัยแห่งกรรมมชรูปจิตใดที่สามารถทํารูปให้เกิดขึ้นได้วิญญาณเหล่านั้นเป็นปัจจัยแห่งจิตแตเชรูปมันวิญญาณจึงเป็นปัจจัยแก่ รูปนะกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปเช่นกรรมในอดีตกรรมวิญญาณในอดีตเป็นปัจจัยแก่ตาเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่เป็นปัจจัยแก่ตากรรมวิญญาณในอดีตเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่เป็นปัจจัยแก่หูกรรมวิญญาณบางอย่างในอดีตเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่เป็นปัจจัยแก่จมูกแก่ลิ้นแก่กายและแก่หัตถะเป็นต้นเนี่ยนะนั้นวิญญาณเกิดกรรมวิญญาณในอดีตเกิดนั่นแหละ กรรมชรูปในปัจจุบันเหล่านี้จึงเกิดถ้ากรรมวิญญาณในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยให้มีรูปต่อไปในอนาคตเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปต่อไปในอนาคตวันวิญญาณจึงเป็นปัจจัยแก่กรรมมชรูปกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปส่วนจิตที่สามารถทําจิตตชรูปได้ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลวิบากหรือกิริยาก็สามารถทํา จิตตชะรูปได้นะีจิตตชะรูปสามัญจิตตชะรูปเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนจิตตชะรูปเกี่ยวกับการพูดนิ่งอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชะรูปแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยแก่นามทั้งหลายคือเจตสิกทั้งหลายกันวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนะนะส่วนรายละเอียดพิสดารก็ดูในวิสุทธิมรรคก็ได้มีดูในสลา ย, ยตนาวิพังเล่มเจ็ดสก็ได้